ตอนที่6เยียวยาใจประภาเป็นหลานรักของยายตั้งแต่เล็กก็มีคุณยายนี่แหละที่คอยเลี้ยงดูเอาใจใส่คุณยายไปไหนก็พาหลานรักไปด้วยวันที่ประภาได้รับปริญญาพยาบาลยายมีความสุขมากเพราะความฝันของยายได้เป็นจริงแล้ววันหนึ่งยายก็ป่วยหนักแต่ประภาแทบไม่มีเวลาไปเยี่ยมยายเลย วันที่ยายสิ้นลมประภายังง่วนอยู่กับงานเธอเสียใจมากแม้ผ่านไปสิบปีแล้วแต่นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเมื่อใดก็ยังรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้ดูแลยายแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตวันนี้ตั้งคันมาได้ห้าเดือนแล้วหมอจึงแนะให้เธอเพลางานวันหนึง่งเธอพบว่ามีเลือดไหลซึมมาทางช่องคลอด หมอขอให้เธอมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่เธอเป็นห่วงงานมากตอนค่ำจึงหนีไปทำงานเช้ามืดก็กลับเข้าโรงพยาบาลก่อนหมอจะมาถึงเธอทำเช่นนี้อยู่สองวันวันถัดมาเธอรู้สึกปวดท้องอย่างแรงขณะที่กำลังนั่งถ่ายก้อนเนื้อชุ่มเลือดตกลงไปในโถส้วม นั่นคือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นลูกน้อยของเธอผ่านมากว่า30ปีแล้วเธอยังจดจำภาพนั้นได้และให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่ทำให้ลูกต้องตายวิทกับแก้วเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่ปี 2, 2เมื่อจบการศึกษาต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานแต่ก็ติดต่อถึงกันสม่ำเสมอปีใหม่และวันเกิดก็จะส่งของ ข, องขวัญให้กันทุกปี มีช่วงหนึ่งที่วิทย์งานยุ่งมากเป็นช่วงเดียวกับที่แก้วโทรศัพท์มาคุยถี่มากเพราะมีปัญหาครอบครัวคุยแต่ละครั้งนานสองสามชั่วโมงวิทย์พยายามให้คําแนะนำแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเขาทนรำคาญไม่ไหวจึงพูดตัดบทไปด้วยน้ำเสียงที่ห้วนมากวันต่อมาแก้วก็ไม่โทรมาอีกเลย สองวันถัดมาเขาก็ได้ข่าวร้ายแก้วประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายคาที่เหตุการณ์ผ่านไปกว่าสิบปีแล้วความเศร้าเสียใจได้จางคลายไปแต่ความรู้สึกผิดที่ได้ทำร้ายจิตใจเพื่อนก่อนตายยังกัดกินใจเขาอยู่แม้การเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจแต่สำหรับผู้คนเป็นอันมากบาดแผลในใจยังมีอยู่ ทุกครั้งที่นึกถึงบางเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคนรักหรือคนใกล้ชิดก็อดเจ็บปวดไม่ได้เพราะความรู้สึกผิดคอยทิ่มแทงจิตใจอยู่เสมอจึงไม่อยากจะนึกถึงหาไม่ก็พยายามกดข่มให้มันจมหายไปแต่มันก็คอยผุดโผล่มาเป็นระยะระยะทั้งเจ็บปวดหมนหมองและหนักอึ้งราวกับจะตามติดตัวไปจนตาย ในส่วนลึกของจิตใจเราทุกคนอยากขอโทษผู้จากไปที่ครั้งหนึ่งเราเคยกระทำสิ่งที่ไม่สมควรจะวิเศษเพียงใดหากเราย้อนเวลากลับไปได้เพื่อขอโทษเขาขณะที่เขายังมีลมหายใจอยู่แต่เราก็รู้ดีว่านั่นเป็นแค่ความฝันกระนั้นก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นั่นคือเชิญเข้ามารับฟังความในใจของเรา ลองน้อมใจให้สงบและจินตนาการว่าเขาได้มา น, นั่งอยู่ข้างหน้าเรานึกถึงวันที่เรามีประสบการณ์ดีๆร่วมกันกับเขาความซาบซึ้งประทับใจที่มีต่อเขาจากนั้นให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะทำสิ่งที่ไม่สมควรต่อเขายอมรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่พยายามกดข่มหรือผลักไสแล้วถามตัวเองว่า อยากบอกอะไรแก่เขาขณะที่เขามานั่งอยู่ต่อหน้าขอให้พูดความในใจแก่เขาทุกอย่างเท่าที่เราอยากพูดบอกรักเขาขอโทษเขาหรือสารภาพผิดกับเขาอย่าได้รั้งรออีกต่อไปเมื่อพูดจนแล้วใจแล้วก็ให้จินตนาการต่อไปว่าได้โอบกอดเขา เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาให้ภาพสุดท้ายที่ปรากฏแก่ใจของเราเป็นภาพที่เราอยากจะเห็นก่อนที่เขาจะค่อยๆจากไปวันนี้ประพาวณีและวิทรู้สึกโป่งโล่งกว่าแต่ก่อนทั้งสามสามารถเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีตด้วยความรู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่เจ็บปวดหรือรู้สึกผิดเหมือนเก่า เพราะเธอและเขาได้พูดทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจนับสิบปีให้ยายลูกน้อยและเพื่อนรักได้รับทราบจนไม่มีอะไรติดค้างอีกแล้วสิ่งที่ทั้งสามทำควบคู่ไปด้วยก็คือเขียนความในใจนั้นเป็นจดหมายถึงผู้จากไปแล้วบอกเล่าเรื่องราวและความในใจดังกล่าวให้เพื่อนๆรับรู้ด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและไว้วางใจ ทำให้ทั้ง3กล้าพูดถึงเรื่องที่ฝังลึกในใจอย่างไม่ปิดบังขณะร่ำไห้สิ่งที่ได้รับกลับมาคือกําลังใจและการโอบกอดด้วยความเข้าใจจากเพื่อนการให้อภัยเป็นสิ่งสําคัญและคนหนึ่งที่ควรได้รับการให้อภัยก็คือตัวเองแต่จะทําเช่นนั้นได้เราต้องกล้าที่จะขอโทษในสิ่งที่ได้ทาผิดพลาดไปบางทีเราอาจพบว่า ผู้ที่จากไปนั้นรักเราเกินกว่าที่จะถือสากกับเรื่องเหล่านั้นได้เขาอาจให้อภัยเราไปนานแล้วก็ได้แต่เราเองต่างหากที่ยังลงโทษตัวเองอยู่